สงสามวันก่อนได้อังเอิญผ่านลานคนเมืองหน้าสาระวาการกรธรรมอช่วงนั้นก็เป็นช่วงเช้านะเห็นนักวิ่งเนะี่จำนวนมากเลยออกกันอยู่นะตรงลานคนเมืองเพราะว่าเขามีรายการวิ่งมาราธอนกนะ็ะจะว่าไปจบลงที่ลานคนเมืองนักวิ่งนี่ก็มี หลายวัยเลยนะทั้งหนุม่มทั้งสาวทั้งวัยกลางคนนะผู้สูงวัยก็มีนะยังไม่นับคนต่างชาติส่วนใหญ่ก็เป็นคนไทยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นมันสะท้อนถึงปรากฏการณ์นะชื่อว่าคนไทยนิยมวิ่งกันมากขึ้นนะเดี๋ยเฉพาะการวิ่งระยะทางไกลๆนะจะเป็นมาราธอนหรือว่ามินิมาราธอนท่ามาราธอน มาราธอนนี่มันก็ส2บกิโลนะถ้ามินิก็10ถ้าฮาร์ก็20นะใสการที่คนเรานี่จะวิ่งมาราธอนหรือว่าวิ่งระยะทางไกลๆเนี่ยมันก็ต้องมีการฝึกฝนนะหลายคนเนี่ยรักกันวิ่งนะแล้วก็วิ่งเป็นประจำเลยวิ่งทุกวันก็มีวิ่งเสาร์อาทิตย์นะ ก็ไม่น้อยและแต่ละคนก็เลือกที่จะวิ่งระยะกไกลๆระยะไกลนี้ก็อาจจะต่ำๆก็ากกิโลหรือไม่ก็10กิโลวิ่งเป็นประจำทุกเรียกว่าทุกวันเลยความนีนะเพื่ออะไรนะหลายคนก็วิ่งสม่ำเสมอเพื่อให้กำลังไม่ตกนะ เพาว่ามีจุดหมายคือไปวิ่งมาราทอนหรือบางทีก็ตั้งเป้าว่าจะไปวิ่งอุต้ามาราทอนอุตตามาราทอนนี่ก็100ยกิโลนะแล้วมันไม่ใช่100กิโลธรรมดานะมันก็มีเส้นทางวิบากนะบางทีก็ต้องขึ้นที่สูงชันนะบางทีก็ทางแคบ แ้ววิ่งบางนัดบางบางเส้นนี้จะวิ่งให้ถึงเส้นชัยหรือจุดหมายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเช่น30ชั่วโมงเนี่ยมันต้องไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะต้องอดหลับอดนอนนะไม่งั้นไม่สามารถจะทำได้ตามเป้านะชั่วโมง แล้วคนเหล่านี้เนี่ยนะเขาก็จะต้องมีการวิ่งเป็นประจําสม่ําเสมอโดยมีเป้าเนี่ยก็คือการวิ่งระยะทางไกลๆแต่และคนนี่เขาก็ไม่ได้มีเป้านะว่าจะวิ่งที่นั่นที่นี่แต่เขาเลือกที่จะวิ่งสม่ําเสมอทุกวันนะถามความ คิดของเขาเนะว่าเขาวิ่งเพื่ออะไรเนี่ยผู้รู้เนี่ยเาก็บอกว่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่วิ่งซ้อมหรื้ยทางไกลไม่ว่าจะมีเป้าหมายเพื่อที่จะวิ่งมาราทอนอุต้า ม, มาราทอนหรือไม่เนี่ยส่วนใหญ่นะ 9.9% เนี่ยไม่ได้วิ่งเพื่อที่จะทำลายสถิติ หรือว่าเพื่อเอาเหรียญนะจะวิ่งเพื่อเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองอันนีเน้เป็นเป้าหมายสำคัญนะของนักวิ่งระยะทางไกลๆหรือว่าผู้ที่ขยันวิ่งในะจุดเป็นประจําน่าสนใจนะวิ่งเพื่อที่จะเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองหรือว่า วิ่งเพื่อที่อยากก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองบางคนก็สงสัยนะขีดจำกัดตัวนี้มันก้าวข้ามได้ด้วยหรือหรือว่ามันเอาชนะได้ด้วยหรือ <c oughs> อันนี้คือโจอดใหญ่นะของคนที่เลือกที่จะวิ่งระยะทางไกลๆแล้วก็วิ่งสม่ำเสมอทั้งที่มันก็เหนื่อย ท, ทั้งที่มันก็เรียกว่า ลำบากแสนเข็นนะแต่มันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายนักวิ่งจำนวนมากนะสู้กับขีดจำกัดของตัวเองหรือว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและคนเหล่านี้ก็พบว่าขีดจำกัดของตัวเองนี่มันมันก้าวข้ามได้นะหมายความว่าเนี่ยใหม่ๆเนี่ยอาจจะตอนวิ่งเริ่มตอนที่เริ่มวิ่งใหม่ๆก็อาจจะวิ่งได้แค่กิโลเดียวก็เหนื่อยแล้ว คนเราเนี่ยคิดว่าเนี่ยขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยก็คือประมาณกิโลครึ่งเพราะว่าวิ่งแค่กิโลเดียวก็เหนื่อยแล้วบางคนแค่300เมตรก็เหนื่อยแล้วแล้วก็วิ่งเนี่ยอยู่หลายวันก็ยังเหนื่อยอยู่นั่นแหละก็เลยคิดว่าเนี่ยขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยก็คือประมาณ1กิโลหรือว่า1กิโลครึ่งเกินกว่านี้วิ่งไม่ไหวแล้วแต่แล้วคนเพราะว่าเนี่ยพอวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ย แล้วยิ่งพยายามตั้งใจจะขยับเข้าใกล้ขีดจำกัดมากเท่าไหร่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็สามารถจะวิ่งถึงขีดจำกัดของตัวเองได้น ะ, ะสมมติว่าขีดจำกัดของตัวเองเนี่ยคิดว่าเนี่ยประมาณ1กิโลครึ่งเนี่ยตอนแรกก็วิ่งได้สามเมตรตหลังก็วิ่งได้เป็น400เมตรค่อยๆขยับขึ้นทั้งที่300เมตรก็เหนื่อยลว แต่ว่าลองวิ่งดูเอยมันก็ไปได้อีก100เมตรนะเป็น400เมตรพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็วิ่งได้500เมตรนะแล้วก็ยิ่งวิ่งเนี่ยก็ยิ่งพวบว่านเนี่ยตัวเงเนี่ยขยับเข้าใกล้ขีดจำกัดได้มากขึ้นเรื่อยๆวิ่งไปสักพักนะเอา้าก็สามารถจะวิ่งได้ถึงกิโลครึง่งละ สามารถจะมาถึงขีดจำกัดของตัวเองแต่หลายคนเนี่ยถ้าเขาลองทดลองวิ่งนะอีกสักหน่อยนะวันนี้วิ่งได้กิโลครึ่งแล้วลองวิ่งอีก100เมตรดูมันก็วิ่งได้นะและสุดท้ายก็พบว่าขีดจำกัดตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่กิโลครึ่งนะอาจจะเป็น2กิโลแล้วพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ย ก็พบว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะขยับเข้าใกล้2อกิโลแล้วพอถึง2อกิโ ล, ลองลองขยับอีกหน่อยลองวิ่งอีกหน่อยนะมันก็ไปได้นะเป็น2อกิโลครึง่งแลายคนพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถจะก้าวข้ามขีดจํากัดของตัวเองได้แบบนี้โดยการที่พยายามขยับเข้าหาขีดจํากัดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อย พอขยับเข้าหาขีดจำกัดเทเลนิดทีลนหน่อยนะในที่สุดเนี่ยมันก็ถึงขีดจำกัดที่คิดว่าใช่แต่ถ้าหากว่าไม่ยอมแพ้หรือไม่ยอมยุติเท่านั้นนะลองขยับอีกหน่อยคราวนี้ดิงไปอีการอยเมตรดูนะเออมันก็ไปได้นะทั้งที่เหนื่อยมากทีเดียวนะโหเหนื่อยแสนาหัส แต่พอวัดร่วงขึ้นทำแบบนั้นใหม่นะมันก็ไปได้นะสากิโลจากเดิมที่เราขีดจํากัดตัวเองเนี่ยหนกิโลครึ่งเนี่ยมันค่อยค่อยขีดจํากัดค่อยคเขยับห่างไปเรื่อยๆเขยิบห่างไปเรื่อยๆเป็น3กมกโแล้วบางคนว่าบางคนเพราะว่าเนี่ยพอวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยขีดจํากัดตัวเองเนี่ยไม่ใช่กิโลหรือกิโลครึ่งแล้วมันเป็น10บกิโล เพราะว่าขี่ยจำกัดตัวเนี่ยมันขยับห่างไปเรื่อยๆถ้าว่าทําความเพียรไม่หยุดถ้าว่าพยายามที่จะขยับเข้าหาขี่จำกัดเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยขี่ยจำกัด น, นี่มันขยับห่างนะออกห่างไปเรื่อยๆและหลายคนพบว่าเนี่ยจากเดิมที่คิดว่ากิโลเมตรหึ่งก็เหนื่อยแล้วผ่านไปหลายเดือนเราก็วิ่งได้ถึง10กิโลหรือ15กิโล แล้วแม้จะคิดว่าเนี่ยขีดจำกังตัวเน่ยคือ20่กิโลแต่พอพยายามเขยบเข้าหานะขีดจำกัด20่กิโลนั้นเนี่ยบอกว่าทีละนิดทีละนิดเนี่ยมันก็ค่อยๆเข้าถึงนะพอถึง20่กิโลนะลองวิ่งไปหน่อยนะมันก็วิ่งได้21่สิบเอ็ดกิโละแล้วหลายคนพวกนี้ เมื่อพยายามเอาชนะขีดจํากัดของตัวเองเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันเอาชนะได้เรียกว่าก้าวข้ามขีดจํากัดตัวเองได้แต่ในเดียวกันก็จะพรว่าขีดจากัดเนี่ยมันก็จะค่อยเคลียบห่างไปเรื่อยเคลียบห่หางไปเรื่อยๆการที่ขีดจํากัดเนี่ยมันถอยหนีหรือเคลียบห่างไปเรื่อยเนี่ยมันเกิดจากความเพียรนะเกิดจากความเพียรของนักวิ่งที่ทําไม่หยุดทําไม่หยุด นั้นหลายคนจะพบว่าคิดจำกังตัวเองเนี่ยมันไม่ได้คงที่นะมันจะเขี่ยพังไปเรื่อยเขี่ยพังไปเรื่อยเขี่ยพังไปเรื่อยถ้าว่าทำความเพียรไม่หยุดแล้วก็ไม่ยอมแพ้ตั้งแต่แรกทั้งๆ ท, ท, ที่มันมาถึงจุดที่เหนื่อยสาหัสนะแต่ว่าลองใจสู้อีกหน่อยมันไปได้นะและหลายคนก็เลยเกิดกำลังใจนะ ว่าฉันเนี่ยก้าวข้ามขีดจำกัดตัวเองได้จากคนที่พบว่าขีดจำกัดเนี่ยแค่1กิโลเนี่ยตอนนี้ขีดจำกัดมันกลายเป็น10กิโลหรือ20กิโลไปแล้วก็มันสร้างความภาคภูมิใจนะแล้วก็ทำให้เชื่อมั่นในอนุภาคของความเพียนลักษณะพระคนเหล่านี้เนี่ย เหรียญรางวัล น, นะมันไม่สำคัญเท่ากอบความสึกภาพภูมิใจนะที่สามารถจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้แล้วก็เห็นขีดจำกัดงตัวเองเนี่ยมันขยบห่างหรือพัฒนาไปเรื่อยๆนะมันไม่อยู่กับที่แล้วจากต่ำเตี้ยเรียดยินเนี่ยไม่ค่อยนะขยบจนกระทั่งกลายเป็นเรื่องที่ชวนให้ท้าทายมากขึ้น หลายคนคิดว่าเนี่ยกีดจำกัดตัวนี่มันคือ20กโลสุดท้ายพอทำไปทำไปมันก้าวข้ามได้และขีดจำกัดก็จะกลายเป็น100กิโลแทนแต่ว่าถ้าไม่ยุติเพียงเท่านี้นะทำไปเรื่อยๆนะก็จะพบว่ากีดจำกัด100กิโลเนี่ยสามารถจะถึงได้แลก้าวข้ามมันได้ในที่สุดอันนี้คือแรงจูงใจนะ ของนักวิ่งจำนวนมากนะจากที่เขาเล่ากันเนี่ยซึ่งมันทำให้กลายเป็นสิ่งที่ชวนให้เขารักการวิง่งแล้วก็เห็นคุณค่าของการวิง่งเพราะมันไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองเห็นว่าสามารถจะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้เท่านั้นนะแต่ว่ามันยังช่วยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่กับร่างกายอย่างเดียวแต่เกิดความเปลี่นแปลงด้านจิตใจด้วยเข้มแข็งไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆจาแต่กเดียวกันก็อ่อนน้อมถ่อมตัวไม่คุยโวโ อ, อ้วนอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ของนักวิ่งหลายคนซึ่งมันก็เลยกลายเป็นสเสน่ห์นะของการวิ่งนะสำหรับคนจำนวนไม่น้อย ที่จริงเนี่ยอันนี้มันก็เป็นแง่คิดนะหรือบทเรียนสำหรับนักปฏิบัติได้ไม่น้อยเลยนะเ<ม>พราะคนที่ปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยหลายคนเลยเนี่ยเพียงแค่เดินจงกรมอาหรือว่าสร้างจังหวะเงี้ยบางคนทำได้แค่สิบนาทีก็ง่วงแล้วทำเท่าไหร่เท่าไหร่นะ ก็ไม่เกิน10นาทีก็ง่วงแล้วแล้วคิดว่าเนี่ยขีดจำกลังตัวเองคือ10นาทีแต่ถ้ากว่าไม่ยอมแพ้นะทำไปเรื่อยๆนะจะพบว่าตัวเองเนี่ยสามารถที่จะทําได้ถึง10นาทีโดยไม่ง่วงแล้วจะพบว่ามันจะง่วงก็ต่อเมื่อทําไปได้หนึ่งชั่วโมงหรือว่าครึ่งชั่วโมง แต่พอทำไปสักพักแม้ว่าจะง่วงเมื่อทำได้30นาทีแต่ว่าไม่ยอมแพ้น่ยังทำไปเรื่อยเือบางทียกมือโดยที่ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแนละ้วแต่ว่าไม่ยอมหยุดในที่สุวก็จะพบว่าสามารถที่จะทำไปได้นานกว่านั้นนะนาทีโดยที่ไม่ง่วงแล้ว แต่ว่าทําไปชั่วโมงหนึ่งยังง่วงอยู่นะแต่ถ้าไม่ยอมแพ้นะทำไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายขีดจํากัด1ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะถูกเอาถูกพิชิตคือทําไปหนึ่งชั่วโมงก็ไม่ง่วงคนเราเนี่ยมักจะมักจะคิดว่าตัวเองนี้ไม่สามารถที่จะเอาชนะขีดจํากัดของตัวเองได้ โดยที่ไม่ไตระหนักว่ากีดจำกัดนี่นะมันไม่ได้คงที่นะมันสามารถที่เคลื่อห่างหรือพัฒนาไปได้เรื่อยๆไม่ใช่แต่ความง่วงอย่างเดียว น, นะความปวดเมื่อยก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยทำไปได้หนึ่งชั่วโมงเนี่ยหรือครึ่งชั่วโมงเนี่ยสร้างจังหวะหรือเดิ น, น, นยังกบนอนเมื่อยเหลือเกินนะแล้วก็บางคนคิดว่าไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฉันทําได้แค่ น, นี้เกินกว่านี้ไม่ไหวแล้ว บางคนนั่งแค่ชั่วโมงหนึ่งนี่ก็จะจ ะ, จะเลิกให้ได้จะตายให้ได้แต่ว่าถ้าทำไม่หยุดหรือว่าถ้าไม่ยอมแพ้นะพยายามนั่งอยู่เรื่อยๆนั่งอยู่เรื่อยๆก็จะพบว่าในทีสุดเนี่ยนั่งหนึ่งชั่วโมงได้กลายเป็นเรื่องสบายแต่ว่าถ้าทำไปสองชั่วโมงอาจจะปวดเมื่อยแต่ถ้าทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ แม้จะถึงสองชั่วโมงก็ไม่แม้มันจะมีอาการปวดเมื่อยก็ไม่หยุดสุดท้ายเนี่ยก็สามารถนั่งได้สองชั่วโมงโดยที่ความปวดเมื่อยนี่ก็ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดงตัวเองได้นะนักปฏิบัติจำนวนมากเนี่ยบางทีมักจะคิดว่าตัวเนี่ยทำได้เต็มที่กับเท่านี้แหละ ไม่ใช่แค่เอาชนะความง่วงหรือทนต่อความง่วงหรือว่าทนต่อความปวดเมื่อยบางทีเรื่องความยากลำบากก็เหมือนกันนะบางคนคิดว่าเนี่ยฉันทาได้เท่านี้แหละนะฉันทนลำบากได้เท่านี้แหลนะจะให้มาอยู่วัดนอนพื้นกระดานนะหรือว่าจะให้มาตื่นเช้าเนะี่ยฉันทำไม่ได้หรอก ฉันทำได้เท่านี้แหละแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราทำได้มากกว่านั้นเราทำได้มากกว่านั้นเราทำได้ดีกว่านั้นได้อย่าไปยอมแพ้สิ่งที่เรียกว่าขีดจำกัดของตัวเองนะเพราะมาจะเกิดจากการที่เราอุปท า, านไปเองหรือมันจะเกิดจากการที่เราไม่ตระหนักว่า เราสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้หรือสามารถที่จะทำให้ขีดจำกัดนี้มันเขี่ยบห่างไปได้เรื่อยๆบางคนเนี่ยตอนที่ปฏิบัติเวลากลางคืนเนี่ยถึงเที่ยงคืนนี่ก็ไม่ไหวแล้วอย่างเช่นเวลามีการปฏิบัติทำข้ามคืนนะเป็นอาจรร์บูชากับหลวงพ่อเนี่ย เรมีการปฏิบัติข้ามคืนนะแต่บางคนเนี่ยคิดว่าเนี่ยโอ้โหสี่ทุ่มเนี่ฉันก็ไม่ไหวแล้วปฏิบัติสี่ทุ่มเนี่ยคือขีดจำกัดของตัวฉันแต่พอลองทำนะด้วยความตั้งใจไม่คิดที่จะยอมแพ้ตั้งแต่แรกนี่ก็จะพบว่าปฏิบัติตรงสี่ทุ่มก็ไม่ยากนะ แต่คงทาได้ไม่ถึงเที่ยงคืนหรอกแต่ว่าลองทาดูทำดูหรือทำอยู่เรื่อยๆก็พบว่าทำถึงเที่ยงคืนก็ได้นะหรือว่าทำเลยกว่านั้นก็ได้อันนี้เรียกว่าก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองอันนี้เรียกว่าขีดจำกัดตัวเองเนี่ยมันก็เริ่มข่ับๆ่างไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะ ปฏิบัติทําข้ามคืนได้แล้วก็เลยรู้ว่าเนี่ยเออฉันเนี่ยก้าวข้ามขีดจํากัดตัวเองได้ถ้าคนรอนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัตินี่ก็ไม่ควรยอมแพ้กับสิ่งที่เรียกว่าขีดจํากัดตัวเองนะถ้าบทเรียนของนักวิ่งจํมวนมากเนี่ก็เพราะว่าคนรอนี่มันเอาชนะขีดจํากัดได้หรือก้าวข้ามขีดจากัดตัวเองได้ พูดอย่างนี้ไม่ได้ไหมายความคนเราไม่มีขีดจํากัดน ะ, ะปุตุชนก็ต้องมีขีดขีดจำกัดร่างกายเราก็มีขีดจํากัดแต่ขีดจํากัดของเราเนี่ยมันสามารถที่จะขยับห่างจากจุดเดิมได้หรือสามารถที่จะพัฒนาจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8ได้มันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่แค่หนึหรือตำเตีเ้ยเล่ดินแค่นั้น เราสามารถทำได้มากกว่า น, นั้นเราจะไม่สามารถเอาชนะขีดจำกัดของตัวเองได้ในที่สุดนะแต่ว่าก็ให้รู้ว่าขีดจำกัดที่เราคิดว่ามีตอนนี้จริงๆไม่ใช่ขีดจำกัดที่แท้จริงนะมันเป็นขีดจำกัดของคนเราที่ยังไม่ไดพัฒนาที่ยังไม่ได้ทำความเพียรเต็มที่แต่ในเวลาเดียวกันนะในขณะที่ สมรรถนะของคนเราเนี่ยมันสามารถจะพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเนี่ยไม่ย่าอยู่กับที่หรือว่าไม่ติดอยู่กับขีดจํากัดของตัวเองเนี่ยมันมีสิ่งที่ ค, คล้ายๆกันนะเราจะเรียกว่าอะไรเรียกว่าเพดานแห่งความสุขก็ได้เพดานแห่งความสุขคนเราเนี่ยมันก็เหมือนกับขีดจํากัดนะคือมันไม่คงที่เราจะเพราะว่าเนี่ยสมัยเราเด็กๆนี่นะ กินขนมอย่างเช่นกล้วยแขนี่ก็อร่อยแล้วอร่อยเต็มที่กลกล้วยแขนี่เลยนะแต่พอเรากิน บ, บ่อยๆกินบ่อยๆนะกินกล้วยแขนี่มันมันยังไม่ใช่อร่อยเต็มที่แล้วมันต้องกินอย่างอื่นนะถึงเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมีความสุขเต็มที่ระดับขั้นหรือเพดานความสูงคนเรานี่ยมันจะค่อยๆขยับ ขึ้นไปเรื่อยๆเอาไว้ก่อนเนี่ยหนุ่มๆสาวๆเนี่ยแค่ได้ฟังเพลงเนี่ยจากวิทยุระบบ AM เเมนี่ยโอ้มันก็สียวไพเราะแล้วแต่ฟอฟังไปเรื่อยๆเนี่ยฟัง AM ไม่ไพเราะมันต้องฟัง FM เพราะว่าฟัง FM เนี่มันเสียงมันใสกว่าแต่ก่อนฟัง AM เนี่ยฟังเพลงลูกทุ่งก็มีความสุขแล้ว แต่ฟังไปนานๆมันรู้สึกเฉยๆมันต้องฟัง fM นะต่หลังฟัง fM ฟเไปนานๆนะมันก็รู้สึกว่าเพลงนี่มันเสียงยังไม่ใสเท่าไหร่มันต้องฟังระบบดิจิทัลนะถ้าเพลงนี่มันเป็นระบบดิจิทัลเนี่ยมันจะเสียงมันจะดีกว่ามันจะคมชัดกว่ามันจะให้ความไพเราะให้ความสุขมากกว่าแล้วพอฟังดิจิทัลนะ ไปนานๆเนี่ยเอ๊ะมันชักจะไม่ไพเราะแล้วมันต้องฟังที่มันเยี่ยมเลยกว่า น, นั้นงั้นก็เลยติดหลนไปแสวงหาเครื่องเสียงที่มันที่มันดีกว่า น, นั้นนันนี่คือเหตุว่าทำไมบางคนเนี่ยจากเดิมเนี่ยแค่ฟังวิทยุสารชิสเตอร์ก็มีความสุขแล้วตอนหลังนี่ต้องไปหาซื้อเครื่องเสียงราคาเป็นแสนเฉพาะลำโพงนี่ก็หลายหมื่น หรบางทีเครื่องเป็นล้านฟังแล้วมันถึงจะได้รับรสชาติได้ความไพเราะอันนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเพดานแห่งความสุขของคนเรามันขยับขึ้นไปเรื่อยสูงไปเรื่อ ย, รอยหรือเหมือนกับคนเราเนี่ยแต่ก่อนได้เงินร้อยหนึ่งก็มีความสุขแล้วโหยสุดยอดแล้วได้เงินร้อยหนึ่งตอนเราเด็กเดกนี่ได้เงินรนะ้อยหนึ่งได้แตะเอียร้อยหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดแล้วแต่พอเราอายุพอเราโตขึ้นหน่อยโตขึ้นหน่อย ได้ร้อยหนึ่งเฉยๆลแล้วจะดีใจมีความสุขมัต้องได้พันหนึ่งแต่พอได้พันหนึ่งหลายๆครั้งนะพอได้ก็เฉยๆแล้วมันต้องได้หมื่นนะถึงจะมีความสุขอันนี้เคยผมทำไมเศรษฐีเงินล้านเนี่ยนะทำไมก็จึงหาเงินไม่หยุดหย่อนเพราะว่าเงินล้านเนี่ยมันไม่ทำให้ค่นมีความสุขเหมือนตอนที่ได้ใหม่ๆ มันต้อง10บล้านมันต้องร้อยล้านถึงจะมีความสุขอันนี้คือเราเพยดยามอย่างความสุขคนเราก็เคยไปเรื่อยๆนะซึ่งมันก็ทําให้คนเราเนี่ยหาความสุขได้ยากแล้วก็ไม่รู้จักคําว่าสันโดษหรือไม่รู้จักคําว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีสิ่งที่ได้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องรู้เท่าทันถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยเราจะมีความเบื่อง่าย เพราะว่าสิ่งที่เคยให้ความสุขกับเราแต่พอเราเสพบ่อยๆเนี่ยมาถึงวันนี้เราเฉยๆแล้วเพราะเพดานแน่งความสุขมันขยับขึ้นไปและถ้าเราวิ่งไล่ตามนะเพื่อที่จะไปให้ถึงเพดานแนความสุขนะเราจะกลายเป็นคนที่ไม่รู้จักพอแล้วก็วิ่งหาสิ่งเสพอยู่เรื่อยไปเป็นเศรษฐีเป็นเงินล้านก็ ได้เงินล้านก็ไม่พอใจต้องได้เงิน10ล้านได้เงิน10ล้านก็ยังไม่พอใจไม่มีความสุขต้องได้ร้อยล้านได้ร้อยล้านสุดท้ายก็ไม่มีความสุขต้องได้0ันละ้านพอได้ไปสักพักมันก็ไม่มีความสุขแล้วเพราะเพดานในความสุขมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆ อ, อันนี้เราต้องระวังนะมันจะดีกว่าถ้าเราพยายามที่จะพัฒนาขีดจากัดนะของตัวเอง ในทางที่เป็นเรื่องคุณธรรมความดีอย่างที่พูดตอนต้นเนี่ยนะการที่เรามีความเพียรในการปฏิบัติทำอดทนต่อสิ่งยากลำบากอันนี้เป็นสิ่งที่ดนะีที่เราต้องพัฒนาไปเรื่อยๆแต่แล้วถ้าเราวิ่งไล่ล่าหาความสุขเพราะว่าเพดานแห่งความสุขเมื่อเรามันขยับขึ้นไปเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนนี้เราแย่เนยเราต้องกลับมา ถามตัวเองว่าเราไม่ต้องแสวงหาความสุขจากสิ่งเสร็จจากเงินที่มีจากเสียงที่ได้ยินรูปลดกินเสียงสัมผัสที่น่าไภัยร้อ ก, ก็ได้เรามีความสามารถที่จะมีความสุขจากการได้ทำความดีมีความสุขจากการที่ได้เอาชนะหรือก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง อย่างผู้นักวิ่งหลายคนเนี่ยพอเขาสามารถจะก้าวข้ามเียร์จำกังตัวเองได้หรือเอาชนะขียร์จำกังตัวเองได้เนี่ยหลายคนพบว่ามีความสุขได้ง่ายไม่ต้องแสวงหาเงินทองชื่อเสียงอยู่งยง่ายนะเขาก็มีความสุขเพราะว่าความสุขจากการเอาชนะขียร์จำกังตัวเองได้นี่มันก็สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงชดเชยนะความสุขจากสิ่งเสม ถึงตอนนั้นมันก็ไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าเพื่อให้ได้ไปถึงเพดานแห่งความสุขก็ได้แต่พวกเราถึงแม้ไม่ใช่นักวิ่งนะแต่ถ้าเราปฏิบัติทำเจริญสมาธิภาวนาแล้วเราได้พบความสงบขึ้นเกิดจากสติเกิดความรู้สึกตัวมันก็สามารถที่จะมาหล่อเลี้ยงจิตใจเราทําให้เราเนี่ยจิตใจเราไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากสิ่งเสพแล้วก็ มาพบกับความเบื่อที่เพดายแห่งความสุขเนี่มันมันขยับขึ้นไปเรื่อยๆจกนกระทั่งไม่รู้จักพอใจสิ่งที่มีหรือสิ่งที่ได้ปัญหาที่มันจะหมดไปนะถ้าว่าเราสามารถที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองได้ในเรื่องของสมาธิภาวนา